ในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณหมดว่าอรหังในความหมายว่าภูสมควรซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงคำต่อไปว่าภูสมควรแก่ปัจจัยทั้งหลาย มีจีวรเป็นต้นและมีอีกคำหนึ่งเพื่อให้มีความกว้างขึ้นว่าผู้ควรบูชาสักการะสำหรับคำต่อ น, นี้ก็เป็นคำที่ตอกเข้ามาเพื่อขยายความออกไป ว่าสมควรแก่อะไรบ้างแต่คำสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าผู้ควรหรือผู้สมควรคำนี้ย่อมมีความหมายรวมอยู่มากคำว่าภูสมนั้นเป็นคำที่ใช้อยู่ใน ที่สำคัญสำคัญเช่นว่าบุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้สมควรที่จะได้รับมอบหมายบุคคลที่จะได้รับ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 อันสมควรมีพระพุทธคุณว่าอารหังเป็นต้นดังที่มีความหมายได้กล่าวมาแล้วคือเป็นภูไกลกิเลสเป็นภูกาจัดคาศึกคือกิเลสเป็นภูหักกรรมแห่งสังสารจักเพราะฉะนั้น กินเป็นภูที่สมควรตลอดจนถึงสมควรบูชาสักการะบูชานั่นก็คืออามิสมบูชาบูชาด้วยอามิตรมีจีวรบินฑบาตเป็นต้นปฏิบปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติ ตามที่ทรงสั่งสอนพระองค์เป็นภูที่สมควรบูชาด้วยเครื่องสการะวารามิตรทุกอย่างและสมควรบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระองค์สมควรที่จะ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 ทรงประพฤติประโยชน์ต่อพระญาติทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าคือทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินยัยทรงประกอบกระธรรมประโยชน์ทุกอย่างโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศ า, ศาสดาเอกในโลก อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความสมควรคือความบริบูรณ์แห่งพระคุณทั้งปวงดังกล่าวมานี่จึงทำให้ทรงเป็นภูสมควรต่อบูชาสักการะต่อการกราบไหวบูชาต่อความที่จะมีศรัทธาความเชื่อ ัาสาธะความเรื่มใสในพระองค์ทรงเป็นภูสมควรโดยทรงเป็นที่ตั้งแห่งรัฐาภสษาทะอย่างแท้จริงอันนำให้ภูที่มาบูชาสักการะมากราบไหว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 ไม่กระทำบาปในที่ลับซึ่งมีความหมายว่าไม่กระทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ทรงละกิเลสเครื่องเสมองในจิตเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะ หรือจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าละอวิชชาตันหาความลิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือซึ่งเป็นกิเลสได้หมดสิน้นทรงละได้จนถึงกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยที่หมักห ม, มมนอนจมดองจิตตสันดานจิตของพระองค์ จึงเป็นจิตที่วิมุตตหลุดพ้นแล้วจากกิเลส ท, ทั้งสิ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตที่ประพัศสอนคือเป็นจิตที่ทองใสเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในจิตแม้แต่น้อยเมื่อเป็นดังนี้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 ไม่มีที่ซ่อนอาสวะอนุสัยอยู่ทั้งหมดต่างจากบุคคลทั่วไปที่ยังมีอาสวะอนุสัยอยู่แม้ว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาละกิเลสอย่างหยาบ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 คือยังมีอาสวะอนุสัยดองกิตสันดานอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่ายังมีที่ลี้ลับก็ชื่อว่ายังกระทําบาปอยู่ในที่ลับเพราะว่ายังมีอาสวะอนุสัยอยู่ที่ลับที่ยาบกว่านั้นก็หมายเพียงว่า รับตาคนดังคนทั่วไปที่ไม่ทำบาปในที่แจ้งแต่ทำบาปในที่ลับในที่แจ้งก็คือที่คนเห็นแต่ในที่ลับก็ในที่คนอื่นไม่เห็นที่รับตาคนอื่นดังนี้เป็นที่แจ้งและที่ลับท่วทั่วไปแต่อันที่จริงนั้นแม้ว่า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 ไม่ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาคือกายวาจานั้นไม่กระทําเช่นว่าเกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหาความริ้นรนทยันอยากอยู่ในใจแต่ว่ากายวาจาไม่กระทําออกไปเช่น ไม่มีโอกาสที่จะทำก็ตามยังมีศีล ร, รักษาอยู่มีฮิริอัตตประรักษาอยู่ก็ตามแต่ว่าใจนั่นยังมีดังนี้ก็ชื่อว่ายังมีที่รับอยู่เหมือนกันชื่อว่ากระทำบาปไว้ในแม้ในที่รับก็เพราะว่าใจยังบาปอยู่ใจยังโลภยังโกรธยังหลงใจยังดิ้นรนทยานอยากอยู่ ยังมีบาปอยู่ในใจนี่ว่าตามวิสัยของภูที่ยังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีที่รับอยู่ดังนี้เป็นที่รับอย่างหยาบบ้างเป็นที่ลับอย่างละเอียดลงไปบ้างจนถึงกิเลสที่ไม่ปรากฏอยู่ในใจแต่ยังนอนจมดองกิตสันดานก็ชื่อว่ายังมีที่รับ ซ่อนอยู่คืออาสวะอนุสัยก็นับว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่เป็นอย่างละเอียดดังนี้ก็ชื่อว่ายังมีกิเลสแต่พระพุทธจเจ้าได้ดทรงละกิเลสได้หมดสิ้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นภูติไกลกิเลสแล้วเป็นภูติหักขาดกาจัดขาดศึกคือกิเลสแล้วเป็นภูติหักกรรม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 เป็นภูไกลกิเลสเป็นภูกำจัดฆาสึกคือกิเลสเป็นภูหักกรรมแห่งสังสารวักชเป็นภูสมควรเช่นสมควรมูชาสการะเป็นภูไม่มีที่ลับไม่กระทาบาปในที่ลับรวมความเข้าแล้วก็คือทรงเป็นภูที่